ก็ความในในติปกรณหาระสัมปาตะหาระสัมปาตานั้นเป็นวิธีการแสดงหาระเดียวเออพระสูตรสูตรเดียวแล้วก็ส่งเคราะห์ลงหาระทั้ง16หาระนี่ก็มาขึ้นปริวัฒนหาระสัมปตาตนาหน้า127ข้อ71 แลก็ยังอธิบายว่าเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตครอบงมทีน้มิถะมีความลำเลดชอบเป็นโคจรกระทสาสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดและความเสื่อมไปแล้วพึงละทุกคติทั้งปวงปันโดยใจความอธิบายในปริวัตนอหาระสัมปาตะก็คือการพลิกกลับธรรมะ ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลนะเมื่อกล่าวถึงกุศลก็พลิกกลับไปดูอกุศลเมื่อกล่าวถึงกุศลก็พลิกไปดูอกุศลเช่นว่าเมื่อเจริญกุศลอกุศลนี่ก็ต้องเป็นอันละถ้าละอกุศลก็แสดงว่าเป็นการเจริญกุศลอันนี้คือลักษณะของปริวัตินะาระ อย่างเช่นเมื่อสมถะและวิปัสนาอันบุคคลเจริญแล้วนิโรสัจจะผลเป็นอันทําให้แจ้งประจักษ์แล้วนั่นนะผลของการเจริญสมถะวิปัสสนาก็คือการแทงตลอดพระนิพพานเราะนั้นถ้าบอกว่าเป็นผู้ที่เจริญสมถะและวิปัสสนาก็แสดงว่าเป็นคนที่ทําให้แจ้งนิโรสัจจะหรือผู้ใดที่กล่าวว่าทําให้แจ้งนิโรสัจจะแสดงว่าผู้นั้นเจริญสมถะและ วิปัสนาเพราะว่าสมถาวิปัสนาเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้รู้แจ้งพระนิพพานอันผู้ที่รู้แจ้งพระนิพพานแสดงว่าเจริญสมถะและวิปัสนาทุกขสัจจะเป็นอันกําหนดรู้แล้วนไสมุทัยสัจจะเป็นอันถูกละแล้วมรรคสัจจะเป็นอันเจริญแล้วด้วยปฏิปปคธรรมเช่นว่าถ้ากล่าวว่าละสมุทัยสัจจะ หรือว่าสมุทัยนี่ถูกละไปแล้วมัคคสัจจะก็แสดงว่าเจริญแล้วหรือผู้ใดเจริญมัคก็แสดงว่าละสมุทัยผู้ใดละสมุทัยผู้นั้นก็ชื่อว่าเจริญมัคลักษณะนี้แหละเรียกว่าเป็นปริวัตนะเนี่ยนะพลิกกลับพลิกกลับจากถ้ากล่าวถึงกุศลที่ควรเจริญก็แปลว่าละอกุศลที่ควรละถ้ากล่าวว่าเจริญสมถะวิปัสสนาก็ชื่อว่า ทำนิโรธให้แจ้งถ้ากล่าวว่าทำนิโรธให้แจ้งก็แสดงว่าเจริญสมถะและวิปัสนาถ้าผู้ใดกล่าวว่าทำนิโรธให้แจ้งผู้นั้นก็แสดงว่ากําหนดรู้ทุกผู้ใดกําหนดรู้ทุกผู้นั้นก็เชื่อว่าทำนิโรธให้แจ้งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะถ้าเจริญอีกสิ่งหนึ่งมันเท่ากับละอีกสิ่งหนึ่งนะถ้ากําหนดรู้อีกสิ่งหนึ่งชื่อว่าทําให้แจ้งอีกสิ่งหนึ่ง ลักษณะสัจจะสี่ที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเช่นนี้ลักษณะการกล่าวไปนี่เรียกว่าปริวัตนหาหระในเววั จ, จนหาหราเนี่ยนะหราที่สิบหระที่สิบนั้นเน้นคำที่ใช้แทนอย่างที่กล่าวว่าเพราะฉะนั้นภิกสุพึงเป็นผู้รักษาจิตคำว่ารักษาจิตเนี่ยคืออะไรคำว่าจิต จิตในพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างก็คือมณะวิญญาณมนินทร์มณายตนะวิชานนะวิชานิตตะเนี่ยน ะ, ะวิชานิตต ะ, ตะอันนี้เป็นคำพูดที่ใช้แทนจิตคำพูดที่ใช้แทนจิตก็คืออย่างเช่นจิตจิตก็มาจากวิจิตหรือจิตตะนะวิจิตมณะก็คือใจนวิญญาณมนินทร์ มานายตนะวิชานนะวิชานิตะตะคำพูดเหล่านี้ก็ให้รู้คำว่าจิตนั่นเองัอ้นภาษาบาลีเนี่ยเขามีหลายๆคำด้วยกันในในสิ่งเดียวเรื่องเรื่องเดียวสามารถใช้คำแทนได้หลายอย่างเววัจนะหาระนั้นเพื่อให้รู้จักถ้อยคำที่ใช้แทนนะเพราะว่าของหนึ่งสิ่งวัตถุสิ่งเดียวสามารถเรียกเชื่อได้ หลายเชื่อคําว่าสัมมาสังกัปปะโคจโรเป็นผู้มีความด âm ฤตชอบเป็นโคจรหมายคําว่าท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปด้วยอํานาจสัมมาสังกัปปะคําว่าสัมมาสังกัปปะก็แสดงว่าหมายถึงเนคขัมมะสังกัปปะอัพยาปาท่าสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะจะเนคขัมมะสังกัปปะอัพยาปาท่าสังกัปปะหรืออวิหิงสาสังกัปปะก็ตามก็เป็นคําที่ใช้แทน สัมมาสังกัปปะนั่นนะเพราะว่าคำว่าสัมมาสังกัปปะนั้นหมายถึงการดําริชอบหรื อ, อความตรึกชอบดําริโคโจรไปด้วยอำนาจสัมมาสังกัปปะด้วยอำนาจกุศลมิตกกุศลมิตกก็คือเนคขมมะสังกัปปะก็คือความคิดที่ออกจากกามอัพยาปาธาสังกัปปะความคิดในความไม่พยาบาท อวิหิงสาสังกปะก็คือความคิดที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนนี่ก็คือคำที่ใช้แทนคำว่าสัมมาสังกปะถ้อยคำที่ใช้แทนสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิปุเรขารคือกระทาสัมมาทิฏฐิไว้เบื้องหน้าหรือแปลว่าเดินตามสัมมาทิฏฐิตั้งสัมมาทิฏฐิไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินตามนี่นะคว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ ค่อยคที่ใช้แทนก็เช่นปัญญาศาสฐศาสตราคือปัญญาปัญญาคะขันขันก็คือดาบมีดของมีคมเนี่ยนะคือปัญญาปัญญารัตนแก้วคือปัญญาปัญญาปโชตะแสงสว่างคือปัญญาปัญญาปโตทะก็คือปตักของมีคมที่มันทิมได้นะก็คือมันแหลมคมที่ทิมได้อันนั้นเรียกว่าปัญญาปโตทะปัญญาปโตทะ ปัญญาปัญญาปราสาทก็คือปัญญาเพียงดังปราศาสหมายคำว่าขึ้นสู่ที่สูงขึ้นสู่ที่สูงแล้วสามารถมองเห็นโดยรอบชั้นใดผู้ที่มีปัญญาก็ฉะ น, นั้นลักษณะปัญญาก็ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆโดยรอบอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่ใช้แทนคำว่าสัมมาทิฏฐินะนพุทธพจน์ที่เราได้ฟังได้ยินเนี่ยนะเราต้องระลึกถึงคาที่ใช้แทนคาที่ใช้แทนว่า ในศัพท์เดียวนี้มีศัพท์ที่ใช้แทนอะไรบ้างการที่สามารถหาศัพท์ใช้แทนได้นี่แหละเรียกว่าพิจารณาเววะชนะหาระกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดด้วยการใช้คําแทนเนี่ยนะก็ในในสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยนะก็สามารถใช้คําได้หลายๆคำํำภาษาบุตรนั้นเป็นผู้ที่ชํานาญในการใช้คําแทนมากอย่างเช่นในคำภีร์ จุลนิเทศคัมภีร์มหานิเทศคัำพีเหล่านี้เน้นใช้คําใช้แทนเป็นส่วนใหญ่นะใช้เ ว, วัชนะนะใช้เวทชนะหาระนี่เยอะมากส่วนปัญญาติหาระเนี่ยนะปัญญาติหาระสัมปาตะก็คือในสิ่งสิ่งเดียวสามารถบัญญัติได้หลายอย่างด้วยกันนะของอย่างเดียวนะสามารถบัญญัติได้หลายอย่าง คำพหุธรรมในหนึ่งสูตรนั้นสามารถบัญญัติได้หลายอย่างเช่นคําว่าเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตอันนี้ก็เป็นประทัดฐานบัญญัติของสติเป็นเหตุใกล้ของการบัญญัติสตินั่นเองที่บอกว่าเป็นผู้รักษาจิตคําพูดนี้เป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ของการบัญญัติเพื่อให้มีสติขึ้นเนะเป็นการบัญญัติของสตินั้นสติเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ที่มีสติก็คือผู้ที่รักษาจิตผู้ที่รักษาจิตก็คือผู้มีสติท่านเพิงเป็นผู้รักษาจิตสติเป็นตัวเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตให้จิตเป็นเป็นตายกับกุศลจิตเพราะว่าผู้ที่รักษาจิตก็คือดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้ที่ไม่ประมาทเป็นลักษณะของผู้ที่มีสติผู้ที่มีสติย่อมเจริญสิ่งที่ควรเจริญ ย่อมบำเพ็ญศี น, นบำเพ็ญสมถะวิปัสนาเป็นต้นส่วนคำว่าสัมมาสังกปะโคจโรเป็นผู้มีความดาริชอบเป็นโคจรอันนี้ก็เป็นภาวนาบัญญัติของสมถะเป็นการแสดงการภาวนาภาวนาก็คือการเจริญการเจริญอะไรก็คือการเจริญสมถะสัมมาสังกปะนั้นะนะผู้ที่เขาตรึกเช่น อัพยาปาทสังกปะก็คือการเจริญเมตตาอาวิเหงสาสังกปะก็คือการเจริญกรุณาดังนั้นการที่มีสัมมาสังกปะเป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับกรุณาอันนี้แหละเป็นการบัญญัติสมถะเนี่ยนะให้รู้ว่านี้เป็นสมถะนะสัมมาทิฏฐิปุเรขาโรยัตวานะอุทยพยังกระทําสัมมาทิฏฐิไว้เบื้องหน้าหมายค่าว่า เอาสมาธิฏฐินำหน้ารู้ซึ่งความเกิดและความเสื่อมไปอันนี้เป็นนิเขปะบัญญัติของทศนะภูมินะเป็นการบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าถ้าผู้ปฏิบัติอย่างนี้จะทำให้แจ้งโสดาปฏิมัต์นะหมายถางว่าชีวิตที่ทำสำมาธิฏฐิไว้เบือเบ้องหน้าทำกรรมสักาตาสมาธิฏิไว้เบื้องหน้า พิจารณาความเกิดและความดับผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะทําให้แจ้งโสดาปฏิมาข์อันนี้เป็นการบัญญัติที่พระพุทธเจ้าประสงค์จะให้รู้ทัศนภูมิคือโสดาปฏิมาข์บัญญัติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธนามิถาภิภูพิขุภิกษุครอบงามถีนมิทะอันนี้ก็เป็นการบัญญัติการละสมุทยสัจจะโดยไม่เหลือ เพราะว่าทีนมิทะเนี่ยนะละได้เด็ดขาดก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยคือผู้ที่ละสมุทยสัจจะละสมุทัยได้อย่างเด็ดขาดละบาปอากุศลได้โดยสิ้นเชิงส่วนบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพาทุกคติเฉเฮพึงละทุกคติทั้งปวงอันนี้หมายถึงการบัญญัติอะไรภาวนาบัญญัติของมัคคสัจจะให้รู้ว่า มัคสัตจะนี่แหละเป็นตัวละทุกขติทั้งปวงนะละทุกขติได้หมดด้วยอนุภาพของอริยมรรคสรุปทบทวนนะว่าพุทธพจน์แต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอ น, นะเป็นการบัญญัติหรือประกาศให้รู้ว่าหมายถึงอะไรเช่นพระพุทธเจ้าตรัสบัญญัติว่าตดสมารักขิตะจิตตะสะเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิต เพีงเป็นผู้รักษาจิตอันนี้เป็นอะไรเป็นประฐานบัญญัติของสติเพื่อให้รู้ว่าคนที่รักษาจิตได้คือผู้มีสติสัมมาสังกัปปะโคจโรอันนี้ก็เป็นการบัญญัติให้รู้จักสมถะวันนี้เป็นสมถะนะสัมมาทิฏฐิปุเรขาโรยตวานะอุทยพยังอันนี้ก็หมายถึงปัญญาปัญญาที่ทากิจอ่ะ น, นะทำกิจได้ดีก็เรียกว่าทัศนภูมิ ปัญญาที่เห็นความเกิดความดับที่แท้จริงสมบูรณ์ก็คือเห็นความดับหมายถึงพระนิพพานนั้นการเห็นพระนิพพานนั้นเป็นลักษณะของทัศนภูมิคือโสดาปฏิมักการละถีนมิธะได้โดยประการทั้งปวงก็คือการละสมุทัยสัจจะโดยประการทั้งปวงละทุกขติได้หมดสิ้นก็คือมัคสัจจะหมายถึงอรหัตตมักนั่นเองทัานโดยบัญญัติหาระ ในพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสพุทธพจน์เหล่านี้ประกาศให้เรารู้ว่านี้เป็นสตินี้เป็นสมถะนี้เป็นวิปัสสนานี้เป็นทัศนภูมินี้เป็นการละสมุทัยสัจจะนี้เป็นการเจริญมัคสัจจะนะความสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์แต่ละอย่างให้รู้ได้เลยว่า สิ่งนี้หมายถึงอย่างนี้สิ่งนี้หมายถึงอย่างนี้ควรปฏิบัติเช่นนี้ทั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีลําดับเนี่ยนะมีลําดับวันนี้เป็นสติสมถธวิปัสนาเป็นการเจริญมรรคการละสมุทยสัจจะการเจริญอริยมรรคท่้นพุทธพจน์ทุกพุทธพจน์นั้นที่สุดของพุทธพจน์ก็คือการประกาศอริยสัจนั่นเองนะเป็นการประกาศอริยสัจทัานการฟังธรรมที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ ก็คือการฟังอริยสัจจะเ น, นี่ยนะดังที่กล่าวว่าคนที่มีสุตะมยปัญญาผู้ที่มีสุตะมยปัญญาเนี่ยนะเมื่อฟังแล้วอย่างน้อยที่สุดฟังไม่ได้อะไรเลยก็ต้องฟังให้เข้าใจวันนี้ทุกพุทธพจน์ตรงนี้เป็นทุกขสัจจะพุทธพจน์ตรงนี้เป็นสมุทยสัจจะทุกพุทธพจน์ตรงนี้เป็นนิโรสัจจะพุทธพจน์ตรงนี้เป็นมรคสัจจะต้องฟังให้เข้าใจแบบนั้น ถ้าฟังยังไม่เข้าใจแบบนั้นทํำยังไงก็ต้องเรียนจนกว่าจะฟังแล้วเข้าใจเป็นแบบนั้นเพราะว่าที่สุดแห่งพระศาสนานีนะ้ก็คือการแทงตลอดอริยสัจนะจุดจบของการศึกษาพระธรรมทั้งหมดอยู่ที่การแทงตลอดอริยสัจการที่เราฟังมากเรียนมากท่องมากอะไรมากก็ช่างเถอะอะไรที่มันมากๆทั้งหลายจุดประชุมลงก็คือการแทงตลอดอริยสัจมันเบื้องต้นถ้าเราฟังทำฟังแล้วแยกสัจจะไม่เป็นเนี่ยนะ อันนี้ก็ก็น่าเสียดายว่าทําไมเราจึงฟังแล้วไม่เป็นอริยสัจจะปัญญติหระหรือบัญญัติสัจจะสี่ประการอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้ามันการฟังธรรมของเราก็ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เห็นอริยสัจจะนั่นเอง